วันหนึ่งเราก็จะมีคุณภาพพอที่จะรักษาสืบทอดศา ส, สนาต่อไปได้ถ้าธรรมาเข้าสู่ใจของเราแล้วนี่ใจของเราเป็นที่เก็บธรรมาที่ดีที่สุดธรรมมาไปเก็บไว้ในตู้าตาพระไตรปิฎกเลยไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวปลวกก็กินละงั้นฟังธรรมมาให้เข้าใจนะรู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองให้มากๆวันใดที่เข้าใจธรรมแล้วธรรมไม่หายไปจากเราล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 อยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้หรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยกว่าคนทั่วๆไปในขณะที่คนทั่วไปเผชิญปัญหาระดับนี้คลุ้มคลั่งแล้วของเราแค่เศร้าหมองหนึ่งถ้าฝึกดีจริงๆถ้าทั้งหมองก็ไม่มีนะฝึกให้ถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธจริงๆอัศจรรย์ที่สุดเลยเงรานเป้าหมายจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆของการ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 ถามว่ายชนหนึ่งยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ายาวๆนะยดนหนึ่งสิบหกกิโลนะร้อยย่นทันย่นนอาจะเลยโลกไปแล้วพ <c oughs> ระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกท่านสอนให้เรียนรู้ทุกตรงนี้เป็นความอัศจรรย์ของท่านใครๆก็อยากพ้นทุกข์ด้วยการหนีความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีความทุกข์แต่สอนให้รู้ทุกข์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 ความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นก็ชั่วคราวหมดเลยใจจะเข้าสู่ความสงบสุขได้เพราะว่ายอมรับความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้ชั่วคราวทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราฝึกไปนะจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริงเรียกว่าเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระรหัน์ไม่ใช่มนุษย์ที่ผิดธรรมดานะะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นเอง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 เดินทางไปเก็บอารมณ์ที่ต่างจังหวัดอยากให้หลวงพ่อแนะนําโยมบ้างโยมอย่าไปเก็บอารมณ์นะโยมต้องรับอารมณ์เปิดตาเปิดหูขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้ <c oughs> าค่ะเมื่อรับอารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาวันไหวยินดียินร้ยนยนยนยนายขึ้นมาให้คอยรู้ทันนะอย่าไปเก็บอารมณ์หน้าอย่าไปเก็บไว้หนัก <c oughs> <c oughs> ทิ้งมันไปแล้วหลวงพอ่อ ม, มีอะไรจะชีแะช้แนะมั่งเจ้าค่นะ <c oughs> นี่ไงชี้แนะแล้ว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 จิตมันก็น่าจะตั้งมั่นนะเจ้าค่ะแต่นี่จิตไม่ตั้งมั่นก็ยังซัดสายเจ้า่ะจิตซัดสายให้รู้ว่าจิตซัดสายเคยได้ยินไหมเจ้าค่ะครูเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านาาให้รู้ไป น, ะนี่อ้างได้ตลอดนะมี Refer อร์เ <c oughs> นี่พวกเราชอบเราชับคิดนะคิดเอานะว่าต้องสงบสงบแล้วจะเกิดปัญญาสงบไม่ได้เกิดปัญญา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 เมื่อกี้ถึงบอกพันทิพย์่อย่าเพิ่งับดับหมดเลยนะดับดับจริงๆนะเพราะเราไม่ได้มีบทเอาไว้ภาคหมดแล้วอ้าวถามได้ฮะเพาะไเกิดการทำงานก็คือมันสร้างภพขึ้นมาความทุกข์มันจะเกิดให้รู้นะรู้ลงปัจจุบันไปครับก่อนนะไม่เข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศนะเพราะใครไปกวนปั๊บนะ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 อยากให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้สภาวะอะไรที่มันเด่นนะคะหลวงพ่อท่นเด่นคือปกครองไว้ปกครองไว้นิดนึงที่ดูไม่ค่อยออกค่ะอย่างเงี้รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆก็รู้ว่ามันนิ่งตอนเช้าอะคะออ่ะหลวงพ่อตอนเช้าไม่ทราบหลวงพ่อเช้าจําไม่ได้แล้วคนเยอะเกิน <c oughs> แต่ใจมันปะครองจนนิ่งขงมงก็ยังดิ้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่จิรัตใช้ได้นะวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันดิน้นเราจิรัตปล่อยให้มันดิน้นของหญิงอะมันจะดิน้นจิยิงไปบังคับให้มันนิ่ง อ้าวยมก็โยมไปสเห็นตัวเองหลงกระงานเยอะค่ะแต่เมื่อวันเสาร์นิดลื่นลมแล้วก็เห็นตัวเองกำลังคิดแล้วก็กำลังมวนชัดเจนเออ <c oughs> ต้องอย่างนั้นสิว <c oughs> ปกติมันลื่นแมันจะไปเลยแต่ท่า น, นนี้มันไปนเห็นว่าเอาใจคิดว่าจะลมะ้มถ้าไม่ล้มได้ไหมอะไรแล้วแขนขาจะลงยังไงอะไรอ้มันรู้หมดเลยนะมัน <c oughs> จะพลิกยังไงนี่มันรู้ตลอดเลยครนะูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีอยู่สององ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 ไปส่งโยมนู่นยกมานานนั่นคนเสื้อสีชมพูที่จับไม้ตะเกียบนะใจมันมัวไปนิดหนึง่งมีโ ม, มหะนะอาจนรำมศกาลหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างก็ดีแล้วล่ะนะจิตดีขึ้นเยอะแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆแต่ว่ามันนิ่งมากไปนิดหนึง่ง ตอนนี้ไปบังคับมันนิ่งเกินจริงไปนิดหนึ่งคือตั้งใจฟังอะค่ะตั้งใจแรงไปบอกแล้วให้ฟังเล่นๆฟังอย่างมีความสุขไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้เห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อแปลกไหมไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ฟังไปเถอะแต่ว่าฟังแล้วจิตใจเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราเรียนด้วยการปฏิบัติจากของจริงเราเห็นจิตใจแอบทํางานตลอดอย่างนั้นใช้ได้ ตอนโยมอยู่บ้านนฮะมันติดติดที่จิตปรุงแต่งอย่างเช้าวันนี้อ่ไม่ทราบว่าลูกจะมาก็นึกว่าทีสี่กว่ากว่าก็ลุกขึ้นมาทำกายภาพนิดหน่อยก็จะไปหงขาาจะเตรียมอาหารไปวัดจะไปใส่บาตรพอดีลูกถามแม่จะไปไหมวันนี้จะไปวัดตอบทันทีเลยไปโดยไม่ต้องคิดอืม <laughs> <c oughs> ก็รีบ อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่กว่าจะออกมาได้มันสายไปนิดนึงปกติจะเช้ากว่า น, นี้มาถึงนี่ก็มีความป่าบปื้มว่าคนมามากดีใจว่าเสร็จแล้ว อ, อยู่บ้านเนี่ยจะติดฟุ้งหาบางครั้งแล้วเผลอบ่อยเวลาสวดมนต์งั้นสวดมนต์เรื่อยๆนะ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 อขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําว่าตอนนี้ที่ดําเนินอยู่ถูกต้องไหมคะรู้สึกว่าเป็นยังไงขณะนี้นจิตเป็นยังไงขณะนี้ก็ตื่นเต้นแล้วจิตเป็นไงอีก <c oughs> ก็เมื่อเช้าก่อนทานข้าวก็รู้สึกว่าเบิบบ้างขณะนี้ขณะ น, น, น, นี้รู้สึกไหมเป็นยังไงขณะนี้ก็ตอนตะกี้ตอนที่คิดถึงการกินข้าวจิตหนีไปดูออกไหมค่ ะ, ะให้รู้ลงปัจจุบันไปได้ตอนนี้ตั้งใจฟังแนละ้วทราบไหมทราบค่ะ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 คือกลั้นเพื่อว่าเมื่อเวลาหายใจออกแล้วเนี้ยเอาลมหายใจเนี่ยมาไล่ความเวทนาในกายอะคะ่ะเช่นความปวดเมื่อยอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเวทนามันก็คลายออกแล้วใจมันก็สงบพองใสดีมไม่ทราบอันนี้เป็นสมถะแต่ว่าจะใช้อารูปหรือเปล่าคะคือสมถะยังมีรูปอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะก็เป็นรูปไม่ใช่อารูป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 ไม่ยกมือชี้ให้ ก, การบำเพ็ญสการครับหลวงพ่อครับผมมีอนันตริยกรรมที่เฆ่ามรรคหรือเปล่าครับฮะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เปล่าเปล่าครับอแล้วตอนเป็นพระไปยุให้ส่งแตกแยกก็แบบไม่เคยเป็นพระครับเ อ, อเคยฆ่าพระพุทธเจ้าป่ะไม่เคยรเครับเลือ่อดเอา้าไม่มีแล้วมันจะมีอะไรละตอนนี้ผม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 ยงมันยังไปยินดีในภาวะของความว่างว่างนี้ครับดูออกไหมใจมันโล่งๆดูออกครับนะองไสเหมือนไม่มีอะไรเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าเลยนะมองผู้มองคว น, นะเหมือนมองอะไรโล่งๆอย่างหนึ่งไม่ใช่ควรหรอกเนะนี่ยพอใจมาถึงตรงนี้เนี่ยใจมันพอใจในสภาวะนี้ให้รู้ทันครับอย่างตอนนี้จิตมันเกิดปีติเราก็รู้ทันว่ามีปีติ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 จิตที่เคล้าเคลียอยู่กับโทรศัพสะนะก็คือจิตที่กําลังตกนรกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไม่เ อ, เอาอะไรชักนอย่างอารมณ์ก็เลยรู้สึกมัวอยู่หรือเปล่ามัวรู้ว่ามัว่วสงสัยว่ามั่วไหมรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกม่ใชใจเดี๋ยวเนี้มันโล่งโล่งกว่าเมื่อก่อนเบ า, บา ก, กว่าเดิมกก<อ>นะส่วนไอ้หนุ่มนู้นนะที่ว่าไปว่างๆหลงไปแล้ว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 ยังมีคนอยากอยากดีอยู่ฮะแล้วก็ไปเป็นคุณพ่อรู้ดีอยู่เลยดีแล้วละ่ะครับดีแล้วเราดูไปเรื่อยเเรายังช่วยลูกทํากันบ้านรู้ไปเรื่อยเดีแล้วนะของคุณจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช้ได้อ่ะคนนู้นเสื้อเหลืองอยากได้ละผู้ชายนั่นแหละหน้ากลมๆนั่นเนาะเอ่อ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 อย่าไปบังคับให้นิ่งนะคุณที่กําลังจับไม่ไปตรึงความรู้สึกแรงเกินไปนิดหนึ่งเอาว่าไปยังไม่ได้ว่าเลยเราตัวกันบ้านแล้วครับท่านอาารหลวงพ่อครับผมบางบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็สลับกับมีความทุกข์ผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ยอมรับเดี๋ยวก็รักสุขเกลียดทุกข์อยู่อย่างนี้าดีแล้วจิตเราไม่เป็นกลาง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 กันน้ า, นา<อ>ว่าไงปกติฟังเมื่อกี้เห็นตอนที่ไม้เคลื่อนไหมพอไม้มาทางเราแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีแรกมันยังไม่มาอยากให้มาใช่ไหมพอมันมามันตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นพอมันเลี้ยวผิดมุมไปผิดหวัง <c oughs> รู้ถึกไหม <c oughs> เนี่ยหัดดูอย่างนี้นะ <c oughs> ดูลงไปตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือยังอ ะ, ะถูกแล้วดูบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนเะเ่กี้เหมือนอย่างเรื่องแค่ไม้นี่เป็นตัวอย่างนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอตาเรามองเห็นนะความรู้สึกเราเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยน <_ S 1> เห็นไหมแค่รูปคือไม้เคลื่อนไหวใจเราเปลี่ยนไปตั้งหลายแบบแล้วนึกออกไหมนั่นแหละรู้ทันใจของเราไปมาส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเขาเสียใจเหมือนกันมาถึงมือแล้วหลุดไปอีกคนเรานี่แปลกนะไมไม่มานะก็อยากให้มาพอมาแล้วก็กลัวอ้าว่าไป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 หลวงพ่อเจ้าคะ่ะ อ, อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําโยมนิดนึงเจ้าคะ่ะเพราะว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้รู้อะไรไม่แน่นอนเลยสักอย่างเจ้าคะ่ะรู้สึกแบบช่วงนี้จะทอ้ทอๆเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวทอ้อลงเดี๋ยวจะขึ้นขนลงลงแล<ด>้วก็ไม่ไมเป็นเลยเหรอก็ดูเป็นเจ้าคะ่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ า, วาใัดชัยจะทาสมาธิติดความสงบไม่อยากเอาไปกระทบโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้า<อ>คะ่ะท้อก็รู้ว่าท้อก็ดีแล้ว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 แล้วก็เห็นเขาบังคับไม่ได้จิตใจก็ทํางานตลอดทั้งวันดีดภาวนาใช้ได้แล้วนะมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมครับที่ภาวนาอยู่ดีแล้วทําบ่อยๆตอนส่งไมล์ลืมไปแล้วรู้สึกไหมนะบอกแล้วยังไม่รู้เลยตอนส่งไมล์เนี่ยนะเป็นตอนปราบเสียนอะไรรู้ไหมผลลัพธ์ผลลัพธ์ <c oughs> เอาไม่เอาไม่เอาไมอยากให้มันไปเร็วๆออย่าให้อย่าให้ขาดช่วงดูทีทีไป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 จิตอย่าอย่าไปอยากให้หายนะออไม่ต้องออไม่ต้องให้หายมันจะไปยังไงก็ตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้แล้วต้องทำอะไรไหมนี่ไงไม่ต้องแก้ไม่ต้องนะค่ะออขอบคุณค่ะแต่ส่งไปข้างหลังข้างหลังส่งกันบ้านครับก็ช่วงก่อนนี่มันติดโทสะอยู่ครับแล้วช่วงสีห้าวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันหลุดจากตรงนั้นออกมาก็รู้สึกใจมันมีความสุขขึ้นเยอะ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 เ, เบอร์สี่สิบมีไหมแลับนมาสกการหลวงพ่อเคะ่ะเมื่อวานนี้วุ้นกับโนดก็ไปกราบาพระอาจารย์อ น, นันต์ท่านก็ถามว่าหลวงพ่อมีคนมาเยอะไหมหวุ้นก็บอกว่าร้อยกว่าคนนะก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกว่าวุ้นชื่อเธอนะคะในใจเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่อยากทมอะไรเลยวันนี้สบายกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมแต่ว่าปล่อยเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่ยังไม่ปล่อยเกินไป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 รเราเรามันมากไปคลายออกนิดนึงเจ้าค่ะคุณหมอมีอะไรไหมหมอคน้องมีอะไรเปล่าครั บ, รบ ำ, รบำกรรมลำักษ์การหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็รู้สึกตัวได้ได้พอสมควรนะฮะใช่แต่ว่ามันมันไม่ไม่เบาสบายเหมือนก่อนอมไม่ทราบมันเพรอะไรดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องสุขก็ได้ครับมันจงใจแรงขึ้นมามันก็ไม่สบาย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 อ้าวคุณโชคชัยโชคชัยเกินจริงอยู่นิดนึงดูออกไหมวันนี้ดูไม่ออกครับมันมันไปติดแบบที่เคยติดนิดนึงแต่ไม่เท่าแต่ก่อนนะครับมีนิดนึงมันเป็นตะคลองไว้นิ่งๆนิ่มๆหวานๆอ๋อใช่ครับใช่แล้วแต่ไปแก้งทํานะทําแบบหวานเย็นหวานเย็นเย็นกำลังกลัวอยู่มันเย็นครับเอาไเชิญโยมกลับบ้าน